เหมนอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกมาตั้งแต่เกิดอ่ะมันก็หายใจอยู่แล้วแต่พอไปจงใจรู้ลมหายใจเข้าก็เหนื่อยอันี่จงใจรู้การที่จิตไปเกิดดับทางทาวารทั้งหลายก็เหนื่อยก็ เ, เหนื่อยด้วยเหตุผล น, นเดียวกันแหละแต่ว่าพอชำนาญขึ้นแล้วไม่เหนื่อยแนละ้วนั่งดูเฉยๆสบายใหม่ๆก็เหนื่อยหน่อยช่วยไม่ได้ ก็รู้ว่าอยากนะอยากนะนะั่นแ่ะคือธรรมะตัวจริงนะเนี่ยธรรมะของจริงสิ่งที่ฟังจากหลวงพ่อคือเสียงไม่ใช่ธรรมะนะคือเสียงเท่านั้นเองนะนะธรรมะเนี่ยเกิดดแบบัเแบเบก็ดดับนี้อยู่แล้วนั้นะธรรมะไม่เคยหายไปไหนธรรมะมีอยู่แล้วนะทักก้งรูปธรรมทั้งนามธรรมา น, ะนะนั่นแหละมีแต่เราไม่สนใจที่จะรู้ไม่สนใจจะดู พอเราไปรู้ไปดูเราก็ไปดูในเชิงไม่เอาสอนะิเราไปคิดว่าไอ้ตรงนี้ยังไม่ใช่ธรรมะปัจจุบันที่เห็นนี่ไม่ใช่ธรรมะอยู่ไกลๆ น, นู่นเ่ยคืออะไรก็ไม่รู้อีกหลายปีถึงจะเจอคิดอย่างนั้นไหมเหมือนอะไรที่อยู่ไกลๆอะ่ะถูกหลอกอย่างสาหาัสเลยแล้วเราก็ทิ้งธรรมะในปัจจุบันมาไปฝันถึงไอ้ธรรมะที่อยู่ไกลๆนะเหมือนคนทิ้งขุมสมบัติข้างหน้าเนี้ยแล้วไปฝันว่าจะมีสมบัติข้างหน้าอีก ถ้าปัจจุบันไม่เห็นธรรมะจะไปคิดว่าอนาคตจะเห็นนะมธรรมะต้องเห็นในปัจจุบันเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นทำไปเรื่อยๆก่อนทนๆไปแล้วอีกห้าปีจะเห็นเห็รอกเพราะไม่ฉลาดธรรมะอยู่ข้างหน้ายังไม่เห็นเลยไม่ใช่ไปสานอะไรถึงอนาคตใช่ไหมธรรมะปัจจุบันมีมไหมไหยจิตมีโมหะจิตหลงสรง้างไปทางใจนั่นคิด กุศลก็มีอ่งกุศลก็มีรูปมีไหมรูปมีรูปยืนเดินนั่งนอนรูปหายใจเข้ารูปหายใจออกก็มีทั้งนั้นง่ายสนุกไหมกับความหลงนะนะืึ เหมันก็ได้แรงไปชั้นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างมากนึมือนก็หมดกลไปครบกกับโลกเด่ยใจฝ่อเนาะมันมีหน้าที่ต้องไปครุกกับโลกมันก็ต้องไปครบลุก กบมาแล้วนะ